เสรส็จก็นั่งฝันธามนะนะฝันธรรมสักผู้หนึก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติกันต่อเพราะว่าที่ที่นี่ก็เน้นเป็นอาคารที่จะพวกเราได้มาปฏิ บ, บัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมแต่เขาก็คงเคยปฏิบัติกันมาแล้วนะแต่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมก็คือกาที่เราทำมาเรียนรู้นะดูความจริงที่แสดงในการในใจนี่แหละกายใจนี่แหละนะเป็นเป็นตำราเรื่องใหญ่นะว่าใจบิดกนะแปดหมืนสี่พันเรื่องก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในการในใจนี่แหละนะกายใจของพระพุทธเจ้ากายใจของเรากายใจของคนอื่น ก็เหมือนกันที่จริงไม่ใช่แต่คนนะไม่แต่สัตว์แต่ฉันหรือสัตว์ในพบในกระ แ, แตที่มีมีรูปกับปีนาก็จะมีกมายมีใจนะก็มีความจริงเป็นสิ่งเดียวกันนะความจริงจริงเดียวฟันก็คือความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ถอยหรือจะพูดออย่างก็ว่ามันมีความทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลง มันมีความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับพัญชาไม่ได้ทุกอย่างตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นั้นนี่คือว่าความจริงที่ที่เราต้องมาเรียนรู้ที่จริงความจริงของธรรมชาตินะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่นะแทบจะทั้งหมดก็ว่าได้นะไม่ยอมรับความจริง การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยแหละมันเป็นเหตุทาให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้เนะี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วอย่างเช่นเราความถ้าเรายอมรับความจริงว่าธรรมดาของโลกเนะี่ยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพ้จาจัของรักของชอบใจเป็นธรรมดานะปนาฏิหาริยสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ ทุกคนเนะี่ยก็ต้องเจอกันบ้างนะถ้าเรายอมรับความจริงได้นะ่ะจิตมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะเมื่อเราเจอเจอสิ่งที่เป็นเรื่องเช่นเจอความพัก ช, ชาสูญเสียนะหรือร่างกายมันแก่ขึ้นร่างกายมันเจ็บร่างกายของเราเองตายหรือว่าของคนอื่นตายพอเราเจอความจริงแล้วเรามไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละ มันเป็นเหตุของความทุกขนะ์ที่จริงความจริงมันมีอยู่แล้วมันแสดงปฏจธรรมความจริงนี่แสดงอยู่ตลอดเวลาเนะพียงแต่ว่าจิตนะมันจะยอมรับไหมถ้าจิตยอมรับมันก็ไม่ทุกข์ถ้าจิตไม่ยอมรับมันก็ทุกข์แค่นั้นแหลนะเนี่ยมันอันนี้คือความจริงเป็นแบบนี้เนาะแค่เรามาเรียนรู้จักความจริงเมื่อเราเรียนรู้ความจริง ให้จิตเขายอมรับความจริงนะยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับชีวิตเนี้ยนะมันเป็นความจริงนะเช่นเราแก่ขึ้นเราก็ต้องยอมรับนะว่าร่างกายมันแก่ขึ้นใช่ไหมถึงวันหนึ่งสมมุติถ้าเราเป็นโรคมะรงเราเป็นโรคล้ายถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นโรคร้ายจิตไม่ทิน้นโดนนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษานะร่างกายก็รักษา แต่ยอมรับได้ว่าอสิอ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความจริงไม่ต้องรอกตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นโนกร้าย้ฉันไม่ได้ป่วยก็ไม่ใช่เรายอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นของหายก็ยอมรับว่าของหายนะอะ่คนรักตายจากไปเขายอมรับว่าคนรักตายจากไปแค่ยอมรับความจริงได้นะจิตใจก็เกิดความเบาเกิด ค, ความสบายขึ้นอเยอะเลยนะ นะอันนั้นถ้าจะทำจริงๆนะคือเรามาฝึกยอมรับความจริงของชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนี้นะยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งนะยอมรับความเป็นไปด้วยบงทีนะอย่างเช่นตอนเนี้ยเรายังไม่ป่วยนะยังไม่ตายนะแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นไปของสังขารหรือว่าความเป็นไปที่มัน อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะตอนนี้เรายังไม่ป่วยแต่ก็ต่อไปก็อาจจะป่วยตอนนี้เรายังไม่ตายแต่ต่อไปก็อาจจะตายตอนนี้คนนักยังไม่จากไปแต่ความจริงก็คือต่อไปก็อาจจะจากไปถ้าใจเราเผื่อใจไว้แบบนี้นะนะพอเมื่อเกิดเหตุการณ์อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุกแต่ถ้าใจเราไม่เผื่อใจไว้นะ พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมามันก็เตรียมใจไม่ได้อันนั้นการยอมรับความจริงอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองคือยอมรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จนเป็นแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเข้าใจไหมยอมรับความจริงอย่างแรกคือยอมรับความจริงที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเช่นตอนนี้แก่ก็ต้องยอมรับว่าแก่ตอนนี้เจ็บก็ยอมรับว่าเจ็ บ, ร บ, จบหรือตอนนี้ของหายก็ต้องยอมรับว่าของมันหายไปแล้ว มันก็หายแต่ของหรือว่าเจ็บแต่กายแต่ใจยอมรับความจริงได้แต่ก็มีทุกข์ส่วนการยอมรับความจริงอย่างที่สองคือยอมรับว่าทุกอย่างมันต้องมีการเป็นไปของมันนะร่างกายมันต้องแกร่ร่างกายมันต้องเจ็บตาฟันมันก็ตายเป็นธรรมดารถเองก็เหมือนกันมันใหม่ขึ้นมาต่อไปมันก็ต้องซ่อมต่อไปก็ใช้ไม่ได้นะคมรับของเราก็เหมือนกันตอนนี้ที่อยู่กัน สมบูรณ์กันในครอบครัวแต่ต่อไปก็อาจจะเจอการพัดท่าสึนเสียไปอันนี้ความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราเตรียมใจเราเผื่อใจไว้เมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นในอนาคตมันก็สบายใจนะยอมรับความเป็นไฟของมันสุดท้ายอีกอย่างหนึงนะที่สําคัญคือยอมรับความตายให้ได้ชีวิตนี้นะมันต้องตายแน่นอน ถ้าเรายอมรับความตายได้เนะี่ยจิตจะไม่ดิ้นรนนะการที่จิตไม่ดิ้นรนเนี่ยแหละน่นะคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก่อนนั้นนั้นเนี่นยส่นใหญ่มาเป็นการสูญเสียที่เราต้องสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งของสูญเสียสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรายอมรับความตายได้เนะี่ยคือเรายอมรับรเลยว่าเราต้องเสียเราต้องจากจต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปเนะี่ย จิตมันก็จะเกิบการปล่อยวางทั้งหมดได้นะแต่ก่อนเนะี่ยมันหายไปทีละอย่างแต่การตายเนี่ยมันเหมือนเราหายไปจากทุกอย่างที่เรามีเลยนะจากเงินทองจากคนรักจากสมบัติต่างๆที่มันมีถ้ายอมรับสามสิ่งนี้ได้นะชีวิตมันก็สบายมันก็เบากนะารปฏิบัติธรรมก็คือให้ยอมรับความจริงทั้งสามอย่างเนะี่ยได้นะ ความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันความจริงที่มันจะเป็นไปในอนาคตแล้วก็ความจริงสุดท้ายของทุกชีวิตคือต้องตายนะถ้ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ได้จิตก็เกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นแต่ตอนนี้เราจะยอมรับความจริงเราจะเห็นความจริงตรง น, นี้ได้อย่างไรคนระับข้ อ, ขอเกิดจากการที่เรากลับมาดูความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ก่อน กลับมาเห็นว่าความจริงในปัจจุบันนี้มันแสดงอะไรนะร่างกายเขาแสดงสภาวะอะไรที่เห็นแล้วก็มาเรียนรู้ประมาณดูนะอยา่างตอนนี้ยนั่งได้แัดอาจจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บแต่นั่งไปตะทักก็เจ็บขาก็เป็นตะคิวก็ปวดหลังอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นตามมาเราจะเห็นเลยว่าเออ สร้างกายก็แสดงความจริงเนาะแต่ก่อนไม่เจ็บแต่ก่อนไม่ทุกข์แต่อยู่ไปนานๆเรื่อยๆมันก็ทุกข์นะทุกข์นะทุกทุกชีวิตก็เป็นแบบนี้นะ่ะเขาก็แสดงความจริงนะจิที่เห็นความจริงที่เขาแสดงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันจะเกิดความเข้าใจนะเกิดความฉลาดขึ้น ที่จริงความจริงนย่าที่มาบอกเขาแสดงอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วแต่กลิ่นแตว่าเราไม่ยอมรับเขาเฉยแต่พอเราการภาวนานเนี่ยคือการที่กลับไม่เห็นความจริงนะเห็นบ่อยๆเห็นไม่บ่อยๆจนกทั่งจิตเขายอมรับนะจิตเขายอมรับแล้วความจริงมันจะแสดงอะไรก็ได้แต่นะมันก็เออเออมันเป็นแบบนี้ของมันแนละ้วเนาะ นั่งนานๆไปมันปวดขาเออมันก็เป็นเช่นนั้นของเรื่องของร่างกายนะหรือนั่งไปบางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปถ้าเราจอมรับว่าุ้งซ่านก็เป็นเรื่องของจิตใจนะไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปบังคับมันถ้ามันก็วางระันะอืมบางทีจิตก็คิดดีบ้างก็คิดไม่ดีบ้างเออก็เป็นเรื่องของมันเนาะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้า บางทีบางคนเนาะไม่ชอบนะไม่ชอบที่คิดมากนะคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องสงบต้องสบายต้องมีแต่ความสุขนะหรือคิดว่าเราต้องคิดดีอย่างเดียวนะคิดไม่ดีไม่ได้นะถ้าคิดดีถึงจะสุขคิดไม่ดีถึงจะทุกข์นะอันนี้ก็คือระวังใจไว้คิดนะแต่ถ้าจิตเรายอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้นมานะ กับร่างกายนี้กับจิตใจนี้นะเออมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะของชีวิตนะเราบังคับไม่ได้นะเพราะที่จริงนะตราปฏิบัติทำจริงๆเพื่อให้เห็นว่าเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยนะจริงๆเพราะเราทำไมเห็นว่าเห็นเห็นร่างกาเยเราก็ไม่สามารถบังคับให้มันให้เหมือนไม่เจ็บก็ไม่ได้บังคับให้มันไม่ปวดก็ไม่ได้ บังคับให้มันไม่ง่วงก็ไม่ได้นะท่านท่นพี่บางทีเม่อคืนอาจจะนอนมาอิ่มแต่พอมาภาวนานก็อาจจะง่วงนะหรืออันนี้คือร่างกายเราก็บังคับไม่ได้จิตใจก็บังคับไม่ได้นะ <c oughs> บังคับให้มันไม่คิดก็ไม่ได้บังคับให้มันคิดดีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะบังคับให้มันอคิดต่อเรื่องที่เคยคิดก็ไม่ได้นะเปิแม้อย่างเช่น เรานอนหลับแล้วก็ฝันนาะกำลังฝันดีๆพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่จะฝันต่อเรื่องเดิมนะก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมอืมเนีบางทีเราคิดงานประํามเพลินๆมีคนมากลวนเนาะลืมละเอ่าแต่บางทีนั่นกชื่อคนคนนี้ไม่ปรนะปุ๋เนาะเห็นหน้าแต่คิดก็ไม่ออกนะเค้นเท่าไหร่ก็ไม่ออกเนะี่ยคือเราบังคับไม่ได้นะเนี่ยเรามาตื่นให้เห็นว่า ร่างกายแล้วก็จิตใจเนยะเราบังคับไม่ได้เลยพอเรายอมรับความจริงตรง น, นี้ได้นะเราก็เข้ม mm. คนอื่นเอง mm. ก็เหมือนกันนะบางทีเราทุกข์เพราะลูกไม่เป็นอย่างใจเรานะเราทุกข์เพราะว่าสามีไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราทุกข์เพราะว่านะภรรญาที่บุญดเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเราทุกเพราะเรื่องบ้านเมืองไม่สงบอยากให้มันสงบสมบูรณ น, นะ เราทุกขเพะว่าเราคิดว่าเราต้องไปจัดการคนอื่นให้เข้าดีเราถึงจะมีความสุขนะแต่ที่จริงถ้าเรากลับมงเห็นความจริงว่าชีวิตนี้แม้แต่ร่างกายจิตใจเนี้ยที่เราคิดว่าเป็นของเราจริงจริเนี้ยเป็นตั่งมันไม่ได้เลยการที่เราจะไปตั่คนอื่นจะไปเปลี่ยนคนอื่นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เออเรายอมรับได้เลยว่ามันทําไม่ได้จริงๆริงนะนะ เราไม่สามารถจเปลี่ยนแปลงก็ได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเองเราไม่สามารถจะบังคับให้เขาต้องทำอย่างที่ใจเราต้องการได้นะนอกจากมันมีเหตุมีปัจจัยให้เขาเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อใจเรายอมรับคนจริงตนี้ได้นะคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่หลงไปทุกข์นะเราก็ไม่ทุกข์ด้วยมันก็เกิดการปล่อยวางได้ แต่กต้องเข้าใจคำว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะปล่อยวางคือการวางใจยอมรับความจริงได้ไม่ทุกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็ยังทําเหตุอยู่นะเรามีลูกเรายังสอนลูกนะถ้าลูกยังลื้อถ้าลูกยังไม่เข้าใจบางอย่างเรามีเพื่อนเรามีผู้คลองเรามีเพื่อนทางานถ้าเขาทาผิดเขาทาไม่ถูกเราก็แนะนํา แล้วก็ตัเกเตือนเราก็ช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจนะเรามีพ่อมีแม่เราก็ยังต้องดูแลต้องชักจูงเขามาในทางที่ดีเรายังทําเหตุนะแต่เราทําเหตุแบบเราวางใจด้วยเออเขายังไม่มาก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เราก็ยังทวนเขาอยู่อรายังแนะนําเขาอยู่เนี่ยเราวางใจอย่างนี้นะอย่างจะมาอยู่กับหลวงพ่อทคำเขียนนะ ประมาณชอบมากหนุ่มพ่อบอกว่าเนี่ยเราสอนต้องเปิดเธอนะวันนี้เขายังไม่ดีนะก็ให้คิดไว้เผื่อวันพรุ่งนี้เขาจะดีวันพรุ่งนี้เขาไม่ดี่ะก็เผื่อคิดไว้เดือนหน้าก็อาจจะดีนะเนี่ยเดือนหน้าเขายังไม่ดีก็เผื่อไว้เผื่อปีหน้าเขาจะดีปีหน้าเขายังไม่ดีก็อาจจะเผื่อไว้อีกสิบปีข้างหน้าอาจจะดี หรือบางทีชาตินี้นะเขายังไม่ดีเลยนะเขายังไม่เปลี่ยนเขายังหลงอยู่ก็เผื่อไร้ว่าชาติหน้าเขาอาจจะดนะีคือเผื่อใจไว้ว่าที่เราให้อะไรกับใครไปเราสอนใครไปนะก็ไม่ใช่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงทันทีหรือเร็วนะเป็นเราสัมผัสได้แต่ใจที่เป็นอุเบกขาไนะใจที่มีความปัฒนาดีจริงๆนะเขายังไม่เปลี่ยน เราก็ไม่โกรธเขาเราก็ไม่ทุกด้วยแต่เรายังมีความปรารถนาดีกับเขาอยู่เรายังคิดว่าเออเขาทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จิตที่มีปัญญาเห็นไหมมีอย่างน็อนึงมีอุเบกขาก็คือวางเฉยอยอมรับความจริงได้มีเมตตากรุณานะช่วยเหลือเขาไม่ทอดทิ้งนะแต่เคยเปลีิยนไหมบางทีตราช่วยใครแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ย เราโกรธนะเราไม่อยากช่วยแล้อนะเราปล่อยก็เลยตาทางปล่อยวัดล้วแต่จิตที่มีปัญญาจริงนะมีเมตตาด้วยมีกรลยาณ์ด้วยเรารู้ว่าจังหวะ น, นี้ยังเขายังร้อดอยู่อนะ่ะพักไว้ก่อนจังหวะไหนเขาเข้าได้ก็เข้าคือมีความหวังดีมีเมตตาการลณากับเข้าอยู่เสมอและสุดท้ายนะก็มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงไดนะ้เขายังไม่ดีวันนี้ อาจจะวันพรุ่งนี้อาจจะปีหน้าอาจจะชาติหน้าเขาก็เปลี่ยนแปลงได้นะมันเชื่ออะไรเชื่อกรรมเนี่ยเชื่อการกระทำเนียเพราะอะไรเพราะจริงๆพอปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าแม้ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่ดีกว่าเขาสักหน่นะใช่ไหมเคยสังเกตไหมตอนก่อนปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมไปเยอะๆนะเห็นไหมว่าไอ้ที่มันไม่ดีในตัวเราเนี่ยเยอะไหม <c oughs> ปวดเยอะไหมนะโลคเยอะไหมหลงเยอะไหมน ะ, มะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะม่ได้เห็นมันจะเห็นความไม่ดีในตัวเราเนี่ยก็เยอะนะสังเกตไหมเราเคยฆ่าตัดเยอะไหมเราเคยพูดคาหยาบเยอะไหมนะเราเคยคิดไม่ดีเยอะไหมนะมีทั้งนั้นเลยนะมีทั้งนั้นเลยทําไมคนอื่นครับ เขาจะเป็นไม่ได้นะขานาดเราเองก็ยังเป็นนะมาก็เชื่อว่าคนเกิดมาทุกคนเนะี่ยไม่เคยมีใครบริสุทธิ์ไม่ผิดศีลทำดีตลอดเนี่ยเพว่าเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าเราเห็นความไม่ดีในตัวเราเองได้นะเราก็จะเราก็จะเข้าใจคนอื่นที่เขาทำผิดไปได้นะเราก็จะให้อภัยคนอื่นได้แล้วถ้าเราภาวนาไปจริงๆนะ เราก็จะให้เรไปตัวเองได้นะบางคนภาวนาไปแล้วก็เช่นเห็นเราคิดไม่ดีเห็นอดีตที่เคยทําไม่ดีเราก็เกิดความเศร้าใจเนาะอดีตที่เคยพูดไม่ดีกับกับแม่ทําไม่ดีกับเพื่อนหรือคิดไม่ดีกับพักอะไรนะัมม่นสมมตินะเราก็จะเกิดความทุกข์ใจแต่ที่จริงนะสมมติถ้าเรามาเคย ตอนเด็กๆนะก็เคยฆ่าสัตว์เยอะนะตอนสิบขวบสิบเอกรว่างเนี่ยก็เคยฆ่าสัตว์เยอะแต่ถ้าเรามาตอนเนี้ยเราก็อายุเยอะขึ้นเราก็เห็นว่าการค่าสัตว์มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คือตอนนั้นปัญญาของเด็กสิบขวบเนาะมันก็ยังไม่มีติดปัญญาพอเราจะเอาความรู้ปัญญาในตอนนี้ไปตัดสินเด็กสิบขวบก็ไม่ได้นะใช่ไห ม, อมตอนสิบขวบเราก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ยังหลงอยู่ ตอนนี้เรามาศึกษาธรรมะเรามาปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นมันก็เลยออกจากความดงได้บ้าง น, นะเราก็ไม่เอาตัวเราเองมาตรฐานในตอนนี้นะเป็นตัดสินความผิดพลาดที่เราเคยทำในอดีตใช่ไหมฮะหรือบางคนเคยว่าแม่ในอดีตแล้วเอาความรู้ในตอนนี้นที่เรามาศึกษาธรรมะ น, นะเอาไปตัดสินสิ่งที่เคยทำพลาดในอดีตก็ไม่ได้นะ นะมัน่นม่ไจะเกิดความให้อภัยตัวเองก็ได้นะนะเพราะบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนให้อภัยตัวเองไม่ได้นะให้อภัยตัวเองที่เคยทำผิดกับใครก็แล้วแต่ไม่ได้นะให้อภัยท้งอดีตกตดีหรือว่าบางทีเราก็จะไม่ชอบนะที่เราคิดไม่ดีนะที่เร า, เาลบลูนะ่ทางความคิดแต่ที่จริงนะภาวนาเป็นจริงเนะ่ มันจะเห็นเลยว่าไอตัวไม่ดีมันเยอะมากไม่ใช่แต่คนดื่นเราเองก็เยอะเห็นกิเลสที่มันสแสดงในใจเนี่ยมันดีนะบางทีเรานึกว่าเรามาอยู่ที่นี่นะไม่มีความ โ, รโลกรธโต้ลงหรอกอยู่ใกล้พรนะมาปฏิบัติธรรมแต่จริงลองสังเกตดีบางทีก็เกิดความหุดหงิดแล้วนะบางทีเราปฏิบัติธรรมสมมติถ้ามีคนโทรตับดังขึ้นมานะ หยุดไปบางคนก็เฉยเฉยแต่บางคนก็อาจจะหงุดหงิดเนี่ยทำไมไม่ปิดโทรศัพท์นะที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมต้องสงบนะ น, นะอันนี้ตอนเนี้ยเมื่อกี้แค่หงุดหงิดนิดนึงนะก็คือมันเกิดละโทรศัท์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องผมว่าต้องไม่มีโทรศัพท์นะต้องไม่มีความคิดแต่พอกิเลสมันโผล่ขึ้นมาเนะ่ยคอยรู้ทันนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมความคิด โผลกิเลสแต่ตามปฏิบัติทำเหมือนกันช้อนกิเลสอยู่นะเหมือนช้อนกิเลสคล้ายๆเหมือนกับเราเหมือนคล้ายๆเราอยู่บนยูนบนสระน้ำอยู่นะบนสระน้ําพอปลมกระโจนขึ้นมานะเรมีเรมีกระชอนเรามีสวิงนะเอาช้อนมันตักมันขึ้นมาความคิดใดกิเลสใดมันโผล่ขึ้นมาติดทำหน้าที่รู้ทันนะเหมือนช้อนออกไปเหมือนช้อนออกไป หรือถ้าเปรียบเทียบเมันจะบคลายว่าน้ํำมันขุ่นนะน้ํำมันขุ่นเนี่ยการทําสมาธิเนี่ยมันจะใช้ทําให้น้ําข้างบนมันใสทําให้น้ําข้างล่างมันตกตะกอนแต่ตะกอนนะั้นไม่ได้หายไปไหนนะการแก้คําสมาธิการทําสมาธิเนี่ยมันเหมือนจะค้ายสงกข้างบนนะเราไปอยู่กับกรรมฐานในสักอย่างกินมันสงบมาก แต่กิเลสมันไม่ได้กับเพื่อมกิเลสมันนอนเนื่องในสันดานนะบางก็แค่รอวันที่มันจะกระเพื่อมขึ้นนะมันก็ยังไม่รักกิเลจริงๆนะอย่างพุทธเจ้าท่านเห็นเลยว่าท่านไปเรียนสมาธิได้ชันขั้นเจ็ดท่านแปดแต่ก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความทุกข์อยู่เออท่านก็จะเห็นนะเออมันยังไม่ยังไม่ใช่ทางเนาะแต่การเจริญสติโยมมันเหมือน นะน้ํามันขุ่นนะมันมีตะกอนการที่เราเจอสติเนะี่ยมันเหมือนกวนตะกอนเกิดขึ้นนะอาจจะเกิดความคิดอาจจะเกิดอ า, อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานะแต่สติจะทนะําหน้าที่เหมือนเข้าไปเข้าไปจับนะเข้าไปรู้ทันกวนให้มันขุ่นคุ่ น, น, นแล้วก็เอาเอ า, เอาสวิเอากระชอนนะ่ะตัดนะตัดสิ่งที่มันขุ่น ตัดสิ่งที่มันกระบอกอกไปออกไปเรื่อยๆขอกไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดความสะอาดที่ที่ถาวรกว่านะดันการภาวนาถ้า ม, มีความคิดมันมีกิเลสตื่นขึ้นมานะถือว่าดีถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นเห็นบรรพุขึ้นมามบ่อยๆนะถือว่าดีนะดีดีที่ไหนดีที่เราได้เห็น นี่ที่เราสามารถรู้ทันมันเมื่อเรารู้ทันมันต่อไปมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็หลอกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันนะเขาก็คอยหลอกเราได้เหมือนกับคล้ายๆในสังคมเราเนาะเราก็ไม่รู้ใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครเป็นโจรแต่ถ้า ตำรวจค่อยๆจับโจรได้ขึ้ น, นเรื่อยๆหรือพลเมือง ด, ดีค่อยๆจับโจรไปเรื่อยๆนะตำรวจเราก็จะค่อยๆปลอดภยัยไปแต่ตอนเนี้ยทั้งคนปกติทั้งโจรเขาโผกันไปหมดนะพอตอนไหนที่มันเผลอโจรก็ทําหน้าที่ต้นรับนะรับของหรือว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นแต่ถ้าเราค่อยๆเห็นโจนจับโจรไปเรื่อยๆไม่ปวดตาักาที่โจรเขางานเะนี่ย มันจะค่อยๆออกไปออกไปออกไต่งคมก็ดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจของเราเองก็เหมือนกันนะปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันเมื่อรู้ทันมาแล้วมันก็จะออกไปอไปอกไฟออกไปเรื่อยๆนะการแค่รู้ทันนี่แะนะน่ะมันเป็นการเจริญปัญญานะเจริญปัญญาเลยเพราะอะไรพอเรารู้ทันมันมันคือการจันได้ การระึกได้ว่าเพราะอารมณ์เนี้ยที่มันหุดหงิดขึ้นมานะเคยหุดหงิดแล้วเห็นมันจิตมันจะเกิดการจำได้คล้ายๆเหมือนโยมหลายคนนะเพราะคนนี้จําได้ไป เ, เห็นที่วัดคนนี้จําได้เห็นที่นี่ใครมาก็จําได้ว่าเออโยมคนนะียเคยเห็นแล้วนะรู้จักกันแล้วนะพอไปเห็นที่อื่นเรก็จําได้จิตก็เหมือนกันนะ พอมันเกิดอารมขึ้นมาแล้วจับได้แล้วอันนี้เรียกว่าความโกรธอันนี้เรียกว่าความโลภอันนี้เรียกว่าความหล ง, รงหรือบางอย่างก็จําได้แต่ไม่ต้องเรียกชื่อนะแค่รู้มันเป็นอาการเฉยๆนะเพราะมันพมันเกิดขึ้นมาจําได้แล้วการจําได้เนี่ยคือเรียกว่าสตินะเมื่อมีสตินะมันจะเกิดการเกิดสัมพันิชัญัตคือความรู้ตัว มันรู้ตัวก็คืออะไรมาตอกไปนะมาตอกไปมันตอกไปนะก็คือว่ากิเลสมันก็ดับไปของมันนะแค่รู้พันมันก็ตอดคล้ายๆเหมือนกับสมมติแก้วน้าที่มันร้อนมาไปจับเองมันร้อนดูลนะมันร้อนแล้วก็เอาขอบขงออกแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะจับของร้อนนั้นแล้วก็ไปเพลินมองเลยเพินไม่สนใจสิ่งที่มันกาลังจับอยู่มันร้อนนะ สุดท้ายมือก็อาจจะไหมเงี้ยเหมือนคนที่เป็นอามาัมพฤาตบางทีเขาไม่รู้นะด้านกายบางส่วนก็ไม่รู้สึกนะถึงความร้อนความเจ็นความร้อนมาถูก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายก็เปิดเกิดแผลก็ไหม่งี้ยแต่เราเนหะมันมีสติเขาเห็นว่ามันร้อนก็ อ, ออกมามันแรมมันเจ็บมันก็ อ, ออกมาจิตมันจะเป็นแบบนั้นโยมเพราะจิตเห็นว่า เป็นเสพอารมณ์แล้วมันทุกขนะ์ัวดีๆนะอารมณ์ทุกอารมณ์เนะี่ยเป็นเสพมันจริงๆเลยมันทุกข์ไหมนะแค่ความอยากเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะอยากได้โทรศัพท์เนี่ยใหม่ๆนะมันทุกข์ไหมนะอยากได้ตําแหน่งหน้าที่นะที่มันสูงขึ้นมันทุกข์ไหมนะที่จริงไม่แต่อยากให้คนรักเนี่ย มันทุกนะแต่ถ้าคนอื่นในใจบริสุทธิ์เนี่ยมันสบายกับกันนะมันต่างกันนะใช่ไหมเราให้ความรักเรามีเมตตากับคนอื่นเนี่ยเราให้เนี่ยมันสบายแต่เราอยากจะได้กลับมาเนี่ยมันทุกนะเหมือนคนทาบุญนะโยมที่ทําบุญทําก็ อ, อยากจะให้อยากจะตลาดเนี่ยมันสบายมันเบาแต่ทำแล้วอยากจะเอานะทําสังฆทานอยากจะถูกนะ ลอตเตรี่ทําสักเมื่ทานไมอยากจะไปสวรรค์สมมตินนะ่ะอยากได้เนะี่ยคุณครูแต่ทําลักษณะขอไปจริงเนะี่ยมันเบาที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ทําเพื่อจะเอาอะไรนะแต่เราทําเพื่อกินจะละเพื่อจะวางเพื่อจะปล่อยละอะไรละกิเลสกิเลสมันเกิดขึ้นมาดูละมันละไปมันมันวางไปนะมันปล่อยไป มันเกิดการรักการบางการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆในคิดใน ใ, นใจไปเรื่อยๆอันนั้นถ้าเราจะภาวนาจริงๆนะโยมอยากให้วางใจให้ถูกเนาะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาอะไร น, ะนั้นถ้าใครถามว่อปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรบอกไม่ได้อะไรเลยบอกไปเลยนะอย่างเต็มคำเลยไม่ไม่ได้อะไรเลยนะ มีแต่ปล่อยมีแต่วางนะนะไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาอะไรนะแต่เราปฏิบัติเพื่อรู้ทันความจริงยอมรับความจริงแล้วมันจะค่อยๆวางอยอมมันจะวางใจได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรก็วางได้นะเขาจะดิ้นทาก็าวางใจได้นะเขาจะสังเวยนะก็าวางใจได้นะอืมของจะหายก็าวางใจได้ จะได้ของใหม่มาก็ต้องวางใจเหมือนกันนะเออก็ อ, อมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันก็วางใจได้แม้แต่สุดท้ายร่างกายเราแก่ร่างกายเราจะตายมันก็วางได้ยอมรับความจริงได้นะถ้าเราปฏิบัติเพื่จะวางเพื่อจะรักเพื่อจะรอดไปนะ ม, มันมีแต่จะเบ า, เบาขึ้ น, นเรื่อยๆสบายขึ้ น, นเรื่อยมีความสุขขึ้ น, นเรื่อยนะแต่บางทีภายนอกมันก็มีเยอะนะมากขึ้นนะ อย่างเป็นภาพเนี่ยพอบว น, นนานๆแต่ก็มีคนถวายทนะ่าถวายนี่เยอะนะบางทีของเต็มขวดของเต็มวัดนะนะแต่มันวางที่ใจเออ็คือไม่ใช่ของเราจริงๆเนาะก็ใช้เฉยๆหรือญาติโยมมีอายุมากขึ้นก็มีลูกหลานซื้อของซื้อเข้าวของให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็วางใจว<อ>่าบ้านนะก็เป็นแค่ที่อยู่อาศัยชั่วคราวเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ของทารกของเรานะ สิ่งของต่างๆก็ใช้ชั่วคราวเนาะถ้ามีใครอยากได้แต่ก็ให้ได้ไม่เป็นไรนนไม่ต้องมายึดว่าต้องอยู่กับเราจนตาย น, นะนะมันก็จะว า, จางแต่ตรนี้นได้นะอาจจะมีมีแต่มีแบบสมมุติแต่ใจจริงๆนะวางได้นะนี่นมันจะเกิดการปล่อยการวางแบบนะนี้เนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจตรงนี้นะเริ่มจากการที่เรา ปกตินะตรงเนี้ยไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เรงนี่ยไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยว่าทําแล้วนะจะได้อะไรทําแล้วจะเป็นอะไรทําแล้วจะทุกข์ก็จริงหรือเปล่านะลองดูนะลองทาดูก่อนจะเพิ่มเชื่อแต่อย่างให้ลองทําดูว่าแค่เรารู้สึกตัวเฉยๆนะ มันทุกไหมยลองกลนะับมาสังเกตตอนที่รู้สึกตัวจริงๆตอนที่มีสติจริงๆจิตมันมีสภาวะเป็นผู้ดูจริงๆเนะี่ยพอเราดูพอเห็นเนะี่ยมันทุกไหมสังเกตนะนะถ้าเราดูเช่นดูตรงเนี้ยดูร่างกายผมนนั่งดูตรงเนี้ยคือร่างกายเขาเจ็บดูจริงๆนะดูแบบมีสติมันทุกไหมย แต่ถ้าเราไปจมนะจิตไปคิดว่ามันเจ็บจังเลยมันอยากจะหายเจ็บระหว่างการดูกับการคิดหรือการจมกับการมณเนี่ยอะไรมันคลุมใช่ไหมต้องสังเกตตัวหรตอนที่มันคิดแล้วเราไปอยู่ในความคิดนะตอนนั้นแะจิตมันมันเป็นแบบไหนกับจิตที่มันดูว่าเออเห็นเห็นว่ามันคิดไปแหละมันสบายกันไหม หลวพอควาเขียนท่านเคยท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีนักปฏิบททัติธรรมคนหนึ่งนะมาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เขาเครียดนะเขาทุกข์นะหลว พ, นะพเดินไปหาก็ถามว่าเป็นยังไงวันนี้ปฏิบัติธรรมเปยังไงเขาก็อบอกว่าวันนี้หนูเครียดมากเลยนะหนูทุกข์ต้านมากหนูเครียดมากนะหลวพ่อก็ถามหลวงพาอก็บอกว่า นักปฏิบัติธรรมเขาไม่ตอบแบบนี้ต้องตอบแบบไหนเขาจะคิดนะสักพักต้องตอบแบบไหนนอเ้อสักพักก็คิดนะวันนี้หนูเห็นมันเครียดพอเห็นมันเครียดนะหน้าตาก็ยิ้มขึ้นมาได้แต่ถ้าวันนี้หนูเครียดเนี่ยมันทุกข์นะแต่วันนี้หนูเห็นมันเครียดเนี่ยมันก็เบาออกมาสบายขึ้น ม, มันก็ยังมันก็ยังมีความคุ้มซ่ามีความเครียดมือนเดิมนะแต่การเห็นกับการเป็นมันต่างกันนะเหมือนเราจะปวดท้องปวดขาเนี่ยความจริงของการปวด ก, การเจ็บนนะก็มีนะแต่การเห็นกับการเป็นมันต่างกันนะะเราสังเกต น, นะนะการมีส ต, ติเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผู้เห็นไม่้าเป็นผู้เป็นหรือเมื่อมันเป็นแล้วสติมันก็จะบอกมา ของเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นได้นั่นะคือการเติมสติเนาะมันก็จะมีอานิสงส์งเช่นนี้นะก็เชิญชวนนะเชิญชวนให้พวกเราพยายามพยายามกันสักหน่อยนะบางทีหลายคนก็คงดูแล้วนะเรื่องอานิสงส์เรื่องหลักก า, ารปฏิบัติแต่สิ่งหนึ่งนะโยมคนสมัยนี้นะบางทีมันรู้นะเก่งในเรื่องเชิงทวามรู้แต่สิ่งที่ขาดคือ ตัวปามเพียนอความเพียรควาพยันนะความทําให้มันเจริญงอกงามขึ้ น, นเรื่อยยิ่งยิงโลกเราสมัยนี้นะต้องอยอมรับจริงๆนะมันมีสิ่งยอ่อยยวนเยอะอยู่กิเลสมันย่อยวนทางโฆษณาทางอะไรต่างๆเยอะๆมากมายนะมันยอ่อยวนเราเดี๋ยวนี้ย่อยยวนใกล้มากนะอยู่ในกระเป๋าเรานะโทรศัพท์นะไปได้ทั่วโลกเลยนะอืม มันเชิญชวนเราไปที่นั่นที่นี่สายยากมากแต่ถ้าเรามีกตินะเราจะใช้มันเป็นนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้นะแต่มันจะใช้มันเป็นเราจะรู้จักรู้เท่าทันมันเมื่อเราจักรู้เท่าทันตัวเราเอง น, นี่แหละนะีนะ่แหละมันจะทําให้เราใช่ต่างๆสิ่งต่างได้สิ่งย่อยยวนสมัยนี้มันเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปหนีไปอยู่ประเทศไม่พัฒนาหนีไปอยู่ป่า ไม่ใช่นะแต่เราจะฝึกให้เรามีคูมต้านทานะในการรู้เท่าทันมันนะในการใช้มันนะับปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ใช่คนหนีปัญหาไม่ใช่คนหนีความวุ่นวายแต่นะเราก็อยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่เราต้องจำเป็นต้องอยู่น่แหละแต่เราจะอยู่กับทุกขิทีาง อ, อย่างได้ยางไม่ติดโลก อย่างพระพุทธเจ้านะก่อนท่านก่อนท่านที่จะตัสรู้นะในคืนก่อนตัสรู้ท่านมีนิมิตอยู่ห้าอย่างนะถ้ามีนิมิตอยู่อย่างหนึ่งจอบอกว่าท่านเดินมีอยู่บนพื้นโลกนะแต่พื้นโลกเนี่ยมีแต่พูดพูดคืออจจาะเต็มโลกไปหมดเลยท่านเดินอยู่บนพูด น, นะแต่นะแตแทกกเท้านะท่านไม่ติดพูดอืมมันเหมือนเป็นนิมิตที่บอกว่าเราก็อยู่กับโลกนี่แหละนะ แ ต, แต่กิเลสสิังกระบๆมันไม่ติดไม่ติดตัวติดใจของเรานะเราก็ยังอยู่กับโลกปกติแต่ความทุกข์มันไม่ติดใจนะคือคือเราไม่เปพูดทุกข์นี่นแหละการภาวานาก็เหมือนกันนะมีกิเลสเยอะมากนะหรือกิเลสเกิดขึ้นที่จิตแต่เราไม่สําคัญว่าจิตนั้นเป็นเราเนะี่ยมันก็ไม่ทุกขนะ์นะนะมันความคิดเกิดขึ้นมา แต่เราไม่ไปยึดว่ามันเป็นเราก็มีภูมินะแต่ถ้าเราไปยึดเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ปติจะทําให้เรารู้ทันแล้วก็ไม่ยึดหรือรู้ทันตอนที่มันยึดมันก็จะปล่อยนะรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ปิดนะแล้วก็แค่เห็ุมันงเอิญนะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันนี่แหละคือหน้าที่ที่เราต้องฝึกให้มันเยอะๆฝึนเนาะเราไม่ใช่ฝึกว่า กิเดสมันต้องมันต้องน้อยลงกิเดมันต้องเบาลงต้องไม่มีอะไรมากระทบนะแต่สิ่งที่เราฝึกคือเราสึกให้มันทันเร็วๆนะเราสึกให้สติมันเร็วๆไม่ใช่ต้องฝึกว่ากิเดสมต้องช้าต้องน้อยลงแต่เราฝึกให้มันทันฉะนั้นการภาวนาวิธีนี้นะมันต้องมีเลยมีเทคนิคหลายอย่างเดียอะอย่างเช่นเราไม่ดับตา มีคนกลัวทกิเลสมันมาทางตานะเราไม่ก็ไปอยู่ในที่เงียบๆตลอดบางทีกิเลสก็มาทาําหูนะแต่เราจะเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเปิดสิ่งต่างๆไม่นั่งนิ่งๆนะอาจจะมีการเคลื่อนไหวไม่ค่อยสงบแต่สิ่งที่เข้ามาเนะี่ยมีสติ ค, คอยรู้ทันนะ เข้ามาแล้วเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจคอยรู้ทันนะแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าต้องไม่มีสิ่งต่างๆมากระทบเช่นเราคงไม่เห็นดีก่อนเนาะตัดตาไว้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นจะได้ไม่คิดไม่จะได้ไม่ทุกข์นะแต่คนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลามีปัญหานะเราอยากจะหนีนะเราคิดว่าถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์แต่จริงก็ไม่ใช่นะ ถ้ามันยังกังวลอยู่มันยังทุกข์นะใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นถ้าเราแก้ไขหรือเราวางใจได้เนี่ยมันไม่ทุกข์เปนของจริงกว่าแต่างทีเราหนีที่บ้านไม่เห็นดีกว่านะแต่ต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นการแกการหลบปัญหาดังนั้นการที่เราฝึกตอนนีน้ตาเห็นรูปเห็นเห็น้วเกิดความพอใจความไม่พอใจคอรู้ทัน หูได้ยินเสียงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจรู้ทันใจมันคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบขึ้นมาคอยรู้ทันนะรู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกว่ากาำลังทําอะไรอยู่มันจะกลับมารู้สของมันเองครับนะเริ่มแรกเนะี่ยเอากายเป็นเบื้องต้นไปรู้กายดีเรื่อ ย, ร, อยรู้กายต่อไปมันจะเห็นจิตนะ ต่อไปมันก็จะเห็นความคิดเห็นความคุมแต่งต่างๆเกิดขึ้นมาเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นแค่ขาการเห็นเป็นแค่กิริยานะไม่ใช่ไม่ใช่ไปยึดว่าเป็นเรานะคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายประโยคน์นะแต่ก่อนเนี่ยฉันทําอะไรอย่างไรเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมานะประโยชนมีปัทภามีกิริยามีกรรมนะ แต่ถ้าเรามีสตินะมันจะเห็นเพียงแค่กิริยากรรมอืเป็นเพียงแค่อาการกิริยาทํำนั่นทํานี่กรรมเกิดคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งนี้มันละคือมันไม่ใช่เรามันเห็นเพียงแค่เออมันเป็นเพียงแค่อาการของกายอาการของใจนะไม่ใช่เป็นหลงว่าเป็นชั้นเป็นเรานะมันเห็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามที่เ ่บรรยายนจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เนาะอ่ะกระผมพูดมาสมควรเนาะนะ่ะได้ให้เวลาพวกเราได้ปฏิบัติกันมีใครยังไม่เคยฝึกกันบ้างค่ะสองคนสามคนเนาะใครที่ยังไม่เคยฝึกก็เดินมาที่ด้านหน้ า, า, น, านี่ก็ทดนะจ๊อบได้ให้ปรจันตุ้อนอน่กลางงาน ได้ไม่ต้องใช้ใหม่มากครับจัยเดียมจะได้ไม่ต้องใช้ใหม่อธิบายเปนคนที่เคยฝึกแล้วก็นะเป็นนั่งที่ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าชั้นบนก็ได้นะไปจมกลมไปนั่งยกมือทั้งวันเดี๋ยประมาณตีเอ็ดโมงยี่สิบนะก็ก็กลับมามอยู่หน้าชั่วโมงสิบนาทีนะ เด็กเคยคึกไหมกเรียนขงมพอนะ